ทรงปรับทุกกฎเมื่อประนามไม่ถูกต้องสมัยนั้นอุปชาทั้งหลายประนามสัตทิวิหาริกผู้ประพฤติ ช, ชอบไม่ประนามสัตชชทิทท ว, ทตวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสัตทิวิหาริกผู้ประพฤติชอบอุปชาไม่พึงประนาม รูปใดประนามต้องอาบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่วิหาริกผู้ไม่ประพฤติชอบอุปชาจะไม่ประนามไม่ได้รูปใดไม่ประนามต้องอาบัตรทุกกฎ